Book 2 27 27 2> ในโรงแรมการมาถึงวีสนนต้าอิรชนสัสคุณมีห้องว่างไหมคะไวยุมสอิร์ปรีวาอิสตาบะ ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ S. S. n r e z e r v ē j u s i i s t a b u ดิฉันชื่อมิเลอร์ค่ะ m a n i s a u c s Miller ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Man i r n e p i e c i e š a m a v i e n v e ī g a i s t a b a ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ มัน ir ā k ā k n e p เป c ี e ย a m a d i v v i e t ī g ว istaba. อ o สต r บ k ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะชิคมักซาอิสตับะปาร์วิอันอุนักติดดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะเอสแ a ลุสอิสตับุ a n ร์วั a โนดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ e อ v ว l o s i s t a ต u ar dušu. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Vai อส varu a p s k กต ī t อ s t ต b บุที่นี่มีโรงรถไหมคะ Vai te ir g a r า ž a ที่นี่มีตู้นิราภัยไหมคะ Vai t อ ir s ์เซฟที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะ ว่ i kun ong, te ต่อีดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะลาบิเอสเนม u ัวอิสตับุนี่กุญแจห้องค่ะเตอีร์อัตสเลกันี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ te อีมาน a บ a ก a บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Cicus irbrocristis บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Cicus irpustianus บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ Cicus i r b a k e r i a s